คนป่าลากลับไปแล้วท่านพระครูเตรียมออกเดินทางอีกครั้งรู้ว่าครั้งนี้คงจะลำบากยากเข็นกว่าครั้งอื่นๆเพราะต้องเดินขึ้นเขาสูงชันที่กั้นเขตแดนระหว่างไทยกับพมา่าท่านจัดการกู้กรดแล้วเก็บเครื่องอัทาบริขารจากนั้นจึงออกเดินทางบัดดลก็เกิดอาเพศขึ้นท้องฟ้ามืดมิดลงทันใดทั้งที่เป็นเวลาเช้า ลมพายุพัดจัดและฝนก็กระหน่ำลงมารุนแรงตราฟ้ารั่วพระธุดงค์วัยส5ส้าเปียกปอนเหมือนคนตกน้ำท่านรู้สึกหนาวหากก็มองไม่เห็นว่าจะไปหลบฝนณที่ใดนึกห่วงพวกคนป่าว่าจะมีที่กำบังกันหรือไม่หากไม่มีพวกลูกเด็กเล็กแดงคงจะพากันหนาวสัน่นหรือถึงกับเจ็บไข้ได้ป่วย พวกเขาเช่งมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความลำบากยากแค้นต้องผจญกับผองภัยรอบข้างไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติภัยจากสัตว์ร้ายหรือแม้แต่ไข้ป่าซึ่งเป็นภัยที่มีอาจหลีกเลี่ยงได้ทว่าภัยอันใดก็ยังไม่ใหญ่หลวงเท่ากับภยัยแห่งวัตตะสงสารท่านโชคดีที่พ้นจากภัยใหญ่หลวงนั้นแล้วแต่พวกเขาสิ ยังไม่พ้นสมภารวัดป่ามะม่วงเดินขึ้นเขาด้วยความยากลำบากทางชันและลื่นมากท่านต้องใช้สติทุกย่างก้าวค่อยๆเดินขึ้นอย่างระมัดระวังออกสงสัยว่าเหตุใดอาจารย์ของท่านจึงห้ามไม่ให้ใช้คถาย่นระยะทางฝนตกหนักและหนทางลื่นอย่างนี้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 ฝนที่กระหน่ำลงมาจนมืดฟ้ามัวดินนั้นทำให้กระแสน้ำไหลหลากลงจากภูเขาขณะที่น้ำไหลลงท่านสังเกตเห็นปลาโฝงหนึ่งกำลังว่ายทวนน้ำขึ้นมาบนเขาตัวที่ว่ายต่อไปไม่ไหวก็ถูกกระแสน้ำพัดลงสู่เบื้องต่ำส่วนที่ยังมีเรี่ยวแรงก็ว่ายทวนกระแสน้ำที่เที่ยวกระหลักนั้นต่อไป เป็นภาพที่ท่านรู้สึกประทับใจยิ่งนะักบัดนี้ท่านเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วว่าลงพ่อดําอาจารย์ของท่านต้องการให้สิทธิ์เรียนรู้จากของจริงเพื่อเก็บเกี่ยวสะสมประสบการณ์ไว้สอนสั่งสานุสิทธิ์ในเรื่องของความเพียนพยายามวันข้างหน้าท่านจะต้องทําหน้าที่อันยิ่งใหญ่คือการเผยแผ่พระาศาสนาของพระาศาสดา ช่วยเหลือเวไนนิกรทั้งหลายให้ข้ามพ้นจากห้วงน้ำแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพราะสาระแห่งการเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนาอยู่ที่พหุชนะหิตายะพะหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของมหาชนเพื่ออนุเคราะห์โลก ภาพของปลาที่ว่ายทวนกระแสน้ำที่ไหลเที่ยวทําให้ท่านนึกไปถึงหอยโขง่งตัวมะหือมาที่ท่านเรียกมันว่าปู่หอยเพราะมันใช้ปากต่างเท้าเดินทางได้ไกลถึงสกิโลเมตรไปยังหนองหม้อแกงปลากับหอยให้คติสอนใจในเรื่องการทําความเพียรถ้าปลาสัจจความเพียรเสร็จแล้วก็มีอาจล่วงพ้นจากความทุกข์ได้เลย อาจารย์ของท่านช่างเป็นผู้มองการไกลและมีอุบายวิธีการสอนที่แยบยนต์นักความหนาเวเย็นเพราะเปียกฝนบวกกับความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินขึ้นเขาที่สูงชันเมื่อเทียบกับประสบการณ์ทางปัญญาที่ท่านได้รับนับว่าคุ้มค่าที่สุดสมานา์วัดป่ามะม่วงเดินอย่างมีสติเป็นเวลาหกชั่วโมง จึงมาถึงยอดเขาฝนตกตลอดเวลาไม่มีขาดเม็ดนับตั้งแต่ท่านออกเดินทางมากระทั่งมาถึงจุดหมายหลวงพ่อดำอาจารย์ของท่านนั่งขัดสมาธิหลับตาอยู่บนแท่นหินสี่เหลี่ยมในถ้าปากถ้ำกว้างพอที่แสงสว่างส่องถึงแต่ฝนสา์เข้าไปไม่ถึงท่านรีบคลานเข้าไปกราบ กับาาายงานว่ลุงพ่อครับผมมาถึงแล้วครับฝนตกตลอดเวลาเล่นเอาผมเปียกปอนเป็นลูกแมวตกน้ำเลยจดก่อนทำให้ร่างกายอบอุ่นเป็นอันดับแรกจากนั้นก็ทำเครื่องนุ่งห่มให้แห้งไม่ฉะนั้นจะถูกปอดบวมเล่นงอนอาจารย์สั่ง ก่อไฟผิงหรือครับแล้วจะหาเชื้อเพลิงที่ไหนในเมื่อฝนตกจนต้นไม้ใบหญ้าเปียกไปทั้งป่าอย่างนี้ไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงใช้ใจของเธอนั่นแหละใจของเธอไม่เปียกไม่ใช่หรืออย่าลืมสิมนโนปุปพังคางมาธรรมามนโนเศรษฐามนโนมายา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 ถึงได้คิดไม่ออกถ้าเช่นนั้นผมจะทำเตโชกสินเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นและทำเครื่องนุ่งห่มให้แห้งท่านเปลี่ยนมานั่งในท่าขัดบัลลังก์สำรวมจิตเจริญเตโชกสินปัดเดียวหนึ่งก็หายหนาวสบงจีวรและสังขติแห้งสนิทเหมือนปาฏิหารเป็นอย่างไรบ้าง อาจารย์ถามทันทีที่สิทธิ์ลืมตาสบายมากครับผมหายหนาวแล้วและเครื่องนุ่งห่มก็ไม่เปียกไม่แฉเหมือนเมื่อสักครู่ช่างอัศจรรย์เสียจริงเรื่องของใจนั้นอัศจรรย์สำหรับคนที่ฝึกส่วนคนที่ไม่ฝึกใจเขาจะไม่พบความอัศจรรย์เช่นนี้แล้วเขาก็จะไม่เชื่ออีกด้วย เพราะเขาเป็นธาตุของกายเสวงหาวัตถุมาปรนเปรกกายติดอยู่กับความสะดวกสบายทางกายซึ่งเขาหลงผิดว่านั่นเป็นตัวตนที่แท้จริงของเขาซึ่งหากมองในแง่ปรมัติตไม่ว่ากายหรือใจต่างก็ปราศจากตัวตนที่เที่ยงแท้ดังมีพระพุทธวจนะตรัสรับรองไว้ว่า สัพเพธมามันัตตาธรรมะทั้งหลายทั้งปวงปราศจากตัวตนที่เที่ยงแท้ความทุกข์ของมนุษย์เกิดจากความยึดมัน่นเช่นไปยึดว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเราสร้างอัตตาตัวตนขึ้นมาทั้งที่โดยปรมัตา์แล้วอัตตาตัวตนที่พวกเขาพากันยึดติด ขื้มั่นนั้นหาได้มีไหมน่าเป็นห่วงนะห่วงอะไรหรือครับห่วงเวนไนยนิกกรทั้งหลายนะสิในวันข้างหน้าจะมีผู้โง่เขลาเบาปัญญาไม่สามารถเข้าถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แต่ตั้งตัวเป็นเกจิอาจารย์สอนในสิ่งที่ผิด บิดเบือนคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วคนพวกนี้ก็จะได้รับการยกย่องเชื่อถือมากกว่าคนที่รู้แจ้งเห็นจริงซะอีกเป็นเรื่องธรรมดาครับหลวงพ่อคนโง่ย่อมมีมากกว่าคนฉลาดเหมือนที่ท่านอุปติสสะท่านตอบคำถามของสัญชัยปริพาชก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 ก็ขึ้นอยู่กับกรรมที่เขาทำมาเหตุนี้พระพุทธองค์จึงตรัสสอนไว้ว่ากรมมุตนาวัตติโลโกโสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเราไปแก้กรรมให้เขาไม่ได้นอกจากเขาจะแก้ด้วยตัวของเขาเองเราสามารถแก้กรรมได้หรือครับลงพ่อ จะว่าแก้ได้ก็ไม่เชิงหรือจะว่าแก้ไม่ได้ก็ไม่ใช่กล่าวคือกรรมเก่าเราแก้ไขไม่ได้เพราะทำลงไปแล้วส่วนกรรมใหม่ซึ่งหมายถึงกรรมที่กำลังทำในปัจจุบันและกรรมที่จะทำในอนาคตนั้นเราสามารถแก้ได้ด้วยการเจริญสติ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 แต่เขาไม่พยายามที่จะเข้าใจถ้าเป็นอย่างนี้ลุงพ่อจะให้ผมทำอย่างไรครับสิทธิ์อยากรู้คำตอบเราก็คงไม่ให้เธอทำอะไรนอกเสียจากจะบอกให้ปล่อยเขาไปตามกรรมเอาละเราควรจะยุติเรื่องนี้กันได้แล้วพูดเรื่องใหม่ดีกว่า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 มันก็ไหว้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับหลวงพ่อสิทธิ์แย้งอย่างเกรงใจเป็นที่สุดเราหมายถึงว่าเมื่อมันไหว้ตามน้ำก็เท่ากับมันตายแล้วเหมือนกับการทำความดีคนที่จะทำความดีต้องฝื้นใจคือต้องทนต่อความยากลำบากได้คนที่ไม่ฝื้นใจก็ทำความดีไม่ได้ เหมือนกับคนที่ตายแล้วที่เราพูดมานี้ไม่ีความหมายมากนะเธอลองเอาไปคิดทบทวนดูจิตของคนเราก็เหมือนกับน้ำธรรมชาติของน้ำคือต้องไหลลงสู่ที่ตำ่ำจิตของคนก็เช่นกันชอบไหลไปสู่ความชั่วมั่วอาบายมุกชอบหาความสุข ในสังคมที่เลวร้ายแต่เขาก็ไม่รู้ว่ากำลังทำชั่วต่อเมื่อกรรมชั่วมาให้ผลนั่นแหละถึงได้รู้แต่กว่าจะรู้ก็สายนะครับหลวงพ่อคนส่วนใหญ่มักรู้ตัวเมื่อสายส่วนผมโชคดีหน่อยที่รู้ตัวเมื่อเช้าคือยังไม่ทันสาย ภิกษุวัย41บวกสเริ่มตีสำนวนพอหายหนาวหายเหนื่อยอก็ชักมีแรงนะห<อ>ลวงพ่อดำพูดเสียงเรียบหลวงพ่อครับแล้วปลาพวกนั้นมันจะตายไหมครับท่านพระครูเปลี่ยนเรื่องถามโดยไม่รู้จะโต้อตอบอาจารย์ว่ากระไร ถ้าตายมันก็ไม่หายใจถ้าไม่หายใจมันก็ตายคราวนี้อาจารย์ตีสำนวนบ้างแล้วหลวงพ่อคิดว่ามันจะไม่หายใจไหมครับขึ้นมาบนเขาที่สูงออกอย่างนี้มันคงจะหายใจไม่ออกเมื่อหายใจไม่ออกมันจึงต้องตายหลวงพ่อว่าจะเป็นอย่างนั้นไหมครับ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 ยังคงตกหนักอยู่ตลอดเวลาไม่มีทีท่าว่าจะหยุดแม้แต่น้อยหลวงพ่อครับฝนจะตกต่อไปอีกนานไหมครับสิทธาม7เจ็ดวันเจ็ดคืนจึงจะหยุดอาจารย์ตอบแล้วหลวงพ่อกับผมจะเดินทางกันต่อไปหรือว่าจะรอให้ฝนหยุดก่อนครับ สิทธามอีกต้องรอให้ฝนหยุดก่อนหมายความว่าลุงพ่อกับผมจะต้องอยู่ในถ้ำนี้เจ็ดวันเจ็ดคืนอย่างนั้นหรือครับถูกแล้วเรากับเธอจะออกเดินทางทันทีที่ฝนหยุดตลอดเจ็วันเจ็ดคืนที่ติดฝนอยู่ในถ้ำเธอจะไม่ได้ฉันข้าวแม้แต่เม็ดเดียว จะทนไหวไหมอาจารย์ทดสอบความอดทนของสิทธิ์ไม่ฉันข้าวแล้วจะมีก๋วยเตี๋ยวให้ฉันไหมครับถ้าได้ฉันก๋วยเตี๋ยวแทนข้าวก็คงจะพออยู่ได้สิทธิตั้งใจยว่าอาจารย์เสียใจไม่มีทั้งข้าวและก๋วยเตี๋ยวขนมปังขนมจีนก็ไม่มี ม่แต่น้ำฝนเท่านั้นพี่เธอจะชันได้จะทนได้หรือไม่แล้วหลวงพ่อลหรครับจะทนได้หรือไม่สิทธิ์ถามกลับย่อวอดแต่เจ็ดวันเลยสำหรับเราไม่ได้ชันเจ็ดเดือนก็ยังอยู่ได้เราไม่ห่วงตัวเองห่วงแต่เธอนั่นแหละ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 ผมจะดังขนาดนั้นเชียวหรือครับหลวงพ่อจะไม่เกินหน้าเกินตาพวกดาราเขาหรือครับเธอจะดังยิ่งกว่าดาราหลายเท่าแต่จะบอกอะไรให้ว่ายิ่งเธอดังมากเท่าไหร่ก็จะมีเวลาเป็นของตัวเองน้อยลงเท่านั้นเธอจะไม่มีแม้แต่เวลาจะภายลมขนาดนั้นเชียวหรือครับ ไม่น่าเป็นไปได้ถ้าเธอไม่เชื่อที่เราพูดมาเธอก็จดเอาไว้หากไม่เป็นอย่างที่เราพูดเรายอมให้ปรับเอาละได้เวลาที่เราจะเข้านิโรธสมาบัติแล้วขอยุติการสนทนาไว้เพียงเท่านี้พูดจบภิกษุรัตนยูจึงหลับตาลง และเข้านิโรสมาบัตในบัดดนั้นท่านพระครูเห็นเป็นโอกาสที่จะบำเพ็ญสมณธรรมสูงสุดเพราะต่อไปคงจะหาโอกาสเช่นนี้อีกไม่ได้จึงอธิษฐานจิตขอเข้านิโรสมาบัตเป็นเวลาเจ็ดวันอธิษฐานจิตแล้วจึงเจริญรูปฌานสี่ตั้งแต่ปฐมฌานไปจนถึงจตุทฌานออกจากจตุทฌานเข้าอารูปฌานสี่ ตั้งแต่อากาสานัญจายตนะไปจนถึงเนวะสัญญานาสัญญายตนะออกจากเนวะสัญญานาสัญญายตนะแล้วจึงเข้านิโรธสมาบัติเมื่อเข้านิโรธสมาบัตวิวจีสังขารกายสังขารและจิตตะสังขารดับไปตามลําดับภิกษุสองรูปเข้านิโรธสมาบัติอยู่ในถ้ำ ตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนครั้นครบกําหนดตามที่อธิษฐานจิตไว้ก่อนเข้าจึงออกจากนิโรธสมาบัติจิตตสังขารกายสังขารและวจีสังขารเกิดตามลําดับแม้จะรู้สึกหิวเพราะไม่ได้ฉันอาหารมาตลอดเจ็ดวันหากจิตกลับปลอดโปร่งผ่องใสท่านพระครูค่อยคอยลุกจากที่นั่งเดินไปยังที่ที่อาจารย์นั่ง คุกเข่าแล้วกราบเป็นจางค่าประดิษฐ์สามครั้งเดี๋ยวต้องออกเดินทางกันเลยเธจะไปสงน้ำก่อนก็ได้จากปากถ้าเดินเลี้ยวขวาไปสักสิบวาจะพบแอ่งน้ำจากนั้นจึงจะออกเดินทางกันพอพ้นเขาลูกนี้ก็จะไปถึงหมู่บ้านจันตะคบซึ่งอยู่ในเขตพมา่ามีคนรอใส่บาตรเธออยู่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 ที่โดนตากฝนขึ้นมาพร้อมกับพวกเองเมื่อเจ็ดวันก่อนท่านทักทายฝูงปลาพวกมันพากันมองท่านตาแปว๋วราวกับฟังรู้เรื่องข้าขออนุญาตอาบน้ําหน่อยนะพวกเองพากันไปไว่าอยู่ทางนูน้นห้ามแอ บ, บดูละ่ะฝูงปลาพากันไหว้ออกไปเหมือนจะรู้ว่าพระคุณเจ้าท่าน จะส่งน้ำ